ขอกราบบูชาพระรัตนตรัยกราบบูชาครูบาจารย์ตั้งแต่หลว ง, งพ่อเทียนหลวงพ่อคาเขียนขอกราบครวะอลงพ ก, กมประธานสงฆ์ในวันนี้ขอกราบครวะครูบาจารย์พันเตเพื่อนสาธรรมิกขอเจริญพรแม่ชีญาติโยมทุกคน ก็นั่งตามปกติเนาะเ <c oughs> ช้าวันนี้ก็ชุ่มเย็นนะด้วยฝนนะหลังจากที่เราได้พักผ่อนหลับนอนนะก็ตื่นมาด้วยความสดชื่นนะถ้าใครยังรู้สึกยังไม่อิ่มในการนอนนะก็พยายาปลุกตัวเองหน่อยนึงนะให้ตื่นขึ้นมา นะก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องบบปลุกตัวเองให้มันตื่นขึ้นนะตื่นแต่กายแต่ใจไม่ตื่นนะบางทีตรงนี้ก็ทำให้นะชีวิตของเรานะมันไม่สดชื่นนะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่10นะกันยายนพุทธศักราช2 5 5พ นะซึ่งเดือนกันยายนเนี่ยนะน่าจะเป็นเดือนที่เราได้น้อมระลึกถึงนะบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะเมื่อทย้อนหลังไปนะก็น่าจะเป็นเม102ื่อหนึ่งร้อยสองปีที่แล้วนะเป็นผู้ที่ทำให้ เราได้มาเรียนรู้นะเรื่องของการเจริญสตนะิก็คือหลวงพ่อเทียนนั่นเองนะเมื่อประมาณ100ร้อยกับพปีที่แล้วนะท่านได้เกิดนะที่จังหวัดเลยนะแล้วก็ได้นำเสนอนะวิธีการเจริญสตนะิเส้นแตกต่างไปจากการฝึกกรรมฐาน นะที่มีมาก่อนหน้านี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะในวันที่13กันยายนที่ใกล้ๆจะถึงนีนะ้ก็เป็นวันครบรอบนะในการจากไปของท่านนะเมื่อปี2531าถ้านับจนถึงวันปีนีนะ้ก็ถือว่าครบรอบ25ปีนะของการจากไปของหลวงพ่อเทียน สิ่งที่อยากจะนําเสนอในช้าวันนี้เนี่ยนะก็เพียงอยากจะได้กล่าวถึงนะสิ่งที่ตัวกระผมฤทธมานะได้มีโอกาสสัมผัสนะได้เรียนรู้นะสิ่งที่หลวงพ่อเทียนนะท่านได้สอนนะท่านได้พูดนะท่านได้พาทำนะในช่วงระยะเวลาที่ได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตนะไปอยู่ใกล้ชิดกับท่าน นะเมื่อประมาณปี2523นะที่ชัดเจนที่สุดก็คือปี2525นะตอนนั้นได้มีโอกาสลาบวชนะตอนนั้นทำงานอยู่ที่เนะชียงใหม่นะแล้วก็ได้ลาบวชเพราะว่าทราบข่าวว่าหลวงพ่อป่วยนะปีนั้นเป็นปีแรกที่ท่านเอ่อเรียกว่าป่วยหนักนะนะก็คือ หมอเขาตรวจแลว้วพบว่ามีเชื่อเป็นมะเร็งนะเราก็รู้สึกว่าเอ๊คงจะไม่ได้การแล้วนะถ้าเรายังมามัวทำการทำงานอยู่นะก็เลยถือโอกาสลาบวชหนึ่งพรรษานะ 1, านะก็ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ไปศึกษากับท่านนะเต็มที่หนึ่งพรรษานะ 1, านะตอนนั้นก็ลาบวชไปในการ สอนด้วในการแนะนำของหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะเท่าที่ตัวกับผมนิทมาได้สัมผัสเนี่ยท่านจะพูดอยู่เรื่องเดียวนะก็คือเรื่องของความรู้สึกตัวนะซึ่งแตกต่างไปจากครูบาอาจารย์นะหลายๆท่านนะท่านจะเน้นเรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วก็พูดเรื่องนี้เรื่องเดียวให้เราทำเรื่องนี้เรื่องเดียวนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยการฝึกกรรมฐานก็ดีหรือจิตภาวนานะที่เรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้นะโดยโทกภพนิธมาเองนะก็ได้เคยฝึกนะที่เรียกว่าอาณาปณสติกนะก็คือการมีสตินะกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะซึ่งตรงนั้นนะก็ทำให้เราได้สัมผัสนะกับความสงบความไม่ต้องคิดอะไร นะก็สบายนะแต่มันก็เป็นความสบายในขณะที่เรานั่งหลับตานะในขณะที่เราอยู่ที่เราหายใจนะในขณะนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันก็ดีเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันมีข้อจากัดเท่านั้นเองนะตัวกระผมนิธมาเองก็ไปฝึกอนาภนสติเนี่ย จากรุ่นพี่คนหนึ่งก็คือพี่สุภวันได้สอนและก็เป็นครั้งแรกที่ได้สัมผัสกับปิติสุข ท, ที่เราไม่เคยรู้จักแต่ก่อ น, เ, นเรามีความสุขจากการที่เราได้ทำอะไรสำเร็จเช่นเราเรียนสาเร็จเราทางานได้สาเร็จเราก็มีความสุขมีปิติแต่ปิติสุขที่เกิดจากการที่เราทาอนาปนสติ นะหรือทำสมาธิภาวนานะที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปนะก็เป็นสิ่งที่มันมีความสุขที่ล้ำลึกนะล้ำลึกกว่าไอ้ความสุขที่ได้จากการงานนะก็รู้สึกติดอกติดใจนะในอารมณ์เหล่านั้นนะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะของการที่ได้มาเรียนรู้นะว่าเออมันก็มีความสุขอีกประเภทหนึ่งนะที่เราไม่รู้จัก ทีนี้นความสุขที่ได้จากการที่เรานั่งนิ่งๆหลับตาเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ก็หล่อเลี้ยงนะให้เราเมีความหวังนะในการที่เราจะมาเรียนรู้นะเรื่องใจนะก็พยายามศึกษานะในหลายรูปแบบนะทั้งอา น, นาปนาสติก็ดีเพ่งดวงแก้วก็ดีนะยุบหนออกองหนอก็ดีนะ ซึ่งก็ได้ไปเรียนรู้นะรวมจนถึงการไปกินเจไปกินมังสวิรัตนะิจากสันติอโศกนะนั่นก็เป็นเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะแต่ก็ยังมีความสงสัยนะยังไม่อิ่มใจยังไม่ถึงสิ่งที่เรียกว่าที่สุดนะก็ได้มีโอกาสได้มาพบหลวงพ่อเทียนที่วัดสนามในนะก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้มาเรียนรู้ว่าเอ๊ะ กรรมฐานมันมีด้วยเหรอนั่งให้ต้องนั่งหลับตาเนี่ยแล้วไม่ต้องนั่งนิ่งๆอะ่ะนะมันมีการเคลื่อนไหวอะ่ะมันเป็นไปได้อย่างไงนาแต่ก่อนเราคิดว่าเราฝึกกรรมฐานนะเราก็จะต้องนั่งนิ่งๆเราต้องนั่งสงบสิใช่ไหมสมบนิ่งๆแล้วเราจะได้เห็นความจริงได้เห็นพระไตรลักษณ์ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรอย่างเงี้ยตามที่หนังสือเาว่ามา ในตามที่ครูบาอาจารย์ได้พูดเอาไว้นะซึ่งสิ่งเราเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราจดจำแล้วเราก็พยายามที่ทําให้มันเป็นมันมีเกิดมาแต่มาเจอหลวงพ่อเทียแล้วงงเลยนะตอนแรกแล้วก็ท่านก็แนะว่าให้เราเนี้ยนะอย่านั่งนิ่งๆนะแล้วก็อย่าไปอยู่เออสงบนะคําว่าสงบในที่นี้คือสงบแบบนิ่งนะ สงบแบบไม่รับรู้อะไรเวลามันคิดอะไรมาแล้วก็ปดข่มมันเอาไว้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวพระภุมลิธมาเองก็เข้าใจอย่างนั้นและคิดว่าพวกเราหลายคนนะก็คงจะมีความเข้าใจเหมือนกันว่าการทำกรรมฐานเนี่ยก็คือจะต้องทำให้จิตมันสงบไม่ต้องคิดอะไรนะแล้วก็เมื <c oughs> ่อจิตสงบแล้วนะก็ ถอนจิตขึ้นมาพิจารณาความจรงิงนะของอชีวิตนะมาดูพระไตรลักษณนะ์ซึ่งอันนี้ก็เป็นหลักการโดยทั่วๆไปนะ ท, ที่เราได้เรียนรู้นะ ซ, ซึ่งสิ่งนีน้ก็ไม่ใช่ผิดอะไรนะนะเป็นเพียงแต่ว่าตัวกระพธมรรมาเองบางทเีเราไปทำแบบนั่งนิ่งๆแล้วหลับตาเนี่ยนะมันจะมีปัญหาอันหนึ่งก็คือว่ามันชอบหลับ นะ้มันทำไปทำไปแล้วมันหลับมันหลับแล้วมันก็ไม่รู้อะไรมันเหมือนตกภวังไงนะนะ้บางทีก็ลืมตัวไปเลยนะ้าลมหายใจมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะ้ตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะ้ของการที่เราไปฝึกนะ้โดยที่เราไม่ได้รู้ทั้งกระบวนการนะ้เรารู้เป็นบางช่วงบางตอนนะ้ซึ่งก็เป็นความความหลงความโง่ของเราเองนะ ไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของตำหรับตำลาหรือของครูบาอาจารย์นะเรียกว่าเราฟังไม่ไม่ท่วนทีนะเราฟังไม่ครบท่วนนะก็ทำให้เราเออเออสัมผัสหรืว่าได้ประสบการณ์อย่างนี้นะแต่ก็เป็นธรรมดานะที่ที่เป็นประสบการณ์นะเพราะฉะนั้นในการฝึกกรรมฐานหรในการทำจิตตภาวนาเนี่ย นะถ้าเราไปสมุพนนิงน่งแล้วก็ติดอกติดใจตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดปัญญานะมันก็จะเรียกว่าสยบอ่ะสยบสยบอยู่กับความความสบายนะความนิง่งนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันได้แต่เพียงเป็นความสบายเท่านั้นเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนนะท่านปรายามที่จะ แก้ปัญหาจุดนี้นด้วยการที่ไม่ให้เรานั่งนิ่งๆให้เรามีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไม่ต้องหลับตาซึ่งก็เป็นวิธีการที่แก้ได้อันหนึ่งทีนี้ปัญหาก็คือว่าหลายคนเนี่ยเมื่อได้มาฝึกวิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะมีคำถามขึ้นมาว่าลืมตาแล้วมันจะสงบได้ยังไงล่ะเคลื่อนไหวแล้วมันจะสงบได้ยังไงอะ่นะตรงนี้ก็เป็นคาถามที่คนใหม่เนี่ย นาะมักจะถามตัวกับผมนิตามาเองก็มีคำถามอันนี้เหมือนกันนะในช่วงที่ไปฝึกกับท่านใหม่ๆนะแต่เมื่อเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยนาเราก็มาสัมผัสอันนึงว่าโอ้มันมีความสงบอีกแบบนึงเนี่ยเป็นความสงบที่ตื่นรู้อ่ะไม่ใช่ความสงบแบบนิ่งอ่ะความสงบแบบตื่นรู้เนี่ยแม้แต่เราลูมตานาะเราเปิด ทวารตาเนี่ยหูจมูกร่านกายใจเนี่ยงาแต่ใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวได้อะ่ะมันไม่ได้ไปตามารูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆนะเรารับรู้อยู่งาแต่เราก็เห็นนะเห็นความพอใจไม่พอใจที่มันเกิดขึ้นงาแต่ก่อนเนี่ยงาเราไม่รู้นะเราไม่รู้ทันสิ่งเหล่านี้เนี่ย เราก็ไปยินดียินร้ายไปพอใจไม่พอใจนาะในสิ่งแวดล้อมนาะที่ที่เราสัมผัสนะด้วยตาก็ดีด้วยหูก็ดีด้วยจมูกด้วยลืน้นด้วยกายก็ดนะีอันนี้เราก็เรียกว่าไปยินดียินร้ายมันเพราะว่าเราไม่รู้ตัวนะเราไม่ตื่นตัวนะเรียกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความสมงบที่ตื่นรู้เนี่ยมัน มันก็มอเหมือนกันมันไม่ใช่สงบแบบนิ่งงานะซึ่งตรงนี้เนะี่ยก็ทาให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดรู้นนะมันไม่ได้ไ้ข้ามแขนงนะแต่มันเป็นการที่เราระลึกรู้อะราลึกรู้ในสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปสัมผัสนะตากระทบรู้นะ รูปพอใจไม่พอใจแต่ก่อนเนี่ยเมื่อเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่มีสติบริบูรณ์เนี่ยาบางทีเราก็หลงไปในรูปที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจนะเรียกว่าหลงไปหรือบางทีก็รูปที่เราไม่น่ารักไม่น่าพอใจแต่ประ็นการที่บอกว่าถอนความพอใจและความไม่พอใจเนี่ยมันไม่ใช่อาการที่เราไปคิดถอนนะ ไปคิดถอนเนี่ยมันคิดมันคิดมันรวมแต่งแล้วแต่เพียงแค่เราระลึกรู้มีสติรู้ทันเนี่ยนาะความพอใจไม่พอใจมันก็จะหายไปเองนะเพราะว่ามันมาแล้วมันก็ไปนะเรียกว่ารู้เท่ารู้ทันนั่นเองนะรู้ความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นนาะแล้วเราก็ไม่หลงไปจมอยู่ในกับอารมณ์นั้นๆนะซึ่งตรงนี้ไม่เป็นจุดที่แตกต่าง นาจากการฝึกกรรมฐานนาที่เป็นการฝึกแบบสงบนิ่งนาอันนี้เป็นการฝึกกรรมฐานแบบเคลื่อนไหวซึ่งก็ถือว่าเป็นกลวิธีนาที่แตกต่างนาไปจากที่เราได้ยินได้ฟังมานาโดยเฉพาะหลายคนนาคงได้มีประสบะการณ์ในการฝึกนาด้วยการทํากรรมฐานแบบนิ่งๆ่งสงบ แต่ไม่ได้หมายความว่าวิธีนั้นผิดนะไม่ใช่นะเป็นเพียงแต่ว่าเออมันก็เป็นรูปแบบนาะรูปแบบหนึ่งนะแล้วที่เรามาฝึกกันเนี่ยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งจุดมุ่งหมายเนี่ยมันจะมันจะไปถึงจุดมุ่งหมายเดียวกันนะก็คือให้เราตื่นรู้นะกับอ่าสภาพนะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนาะภายในร่างกายและภายในจิตใจของเรานะ ตรงนี้เนี่ยมันมีจุดมุ่งหมายร่วมกันเพียงแต่วิธีการเริ่มต้นในเะรื่อสิ่งที่เราจะเดินไปเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาการที่เรามา เ, เจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยนะก็อย่าต้องไม่ต้องไปสงสัยแล้นะไม่ต้องไปเอ๊มันใช่ไหมมันยังลังเลสงสัยอยู่นะมีบางคนโดยเฉพาะคนใหม่ๆหมนะหรือคนที่ เก่าก็ดีนะบางทีก็ยังไม่แน่ใจนะว่าเอ๊ะมันจะไปถึงไหนนะ่งตรงนี้เนี่ยนะเท่าที่ได้มีโอกาสไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านก็จะเริ่มต้นให้เราเอา่ารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนี้ก่อนนะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญแต่ก่อนตัวก็คงกิจมาเองนะได้อ่านหนังสือได้ฟังธรรมนะ <c oughs> ก็มี เราไปจับฉวยเอาเป็นบา ง, บางช่วงบางตอนนาเขาบอกว่าการทำํำจิตภาวนาะการทําวิปัสสนาก็คือการให้ไปดูจิตให้ไปดูใจนาว่ามัน เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไรนาหรื้ว่ากิเลสตัณหาประทานเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไงอย่างไปแล้ไม่จต่ความคิดมันเกิดขึ้นนาแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างไรนาซึ่งตรงนั้นเนี่ย เราไปดูความคิดนะซึ่งสมัยแรกๆนะได้ดูนันุ ก, กับหลวงพ่อเทียนมันก็บอกให้ดูความคิดนะซึ่งตรงนี้เราไปหยิบเอามาไปจับฉวยอามาเป็นบางช่วงบางตอนนะก็คือไปดูความคิดเลยดูที่ความรู้สึกตัวที่กายเราก็ยังไม่ชัดเรียกว่าฐานกายยังไม่ชัดเลยไปดูความคิดไปดูจิตไปดูใจนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้พัดหลง นาตัวผมนิจมาเองก็พัดหลงไปในความคิดนาไปคิดปรงแต่งต่างๆนานานาไปคอยดูความคิดไปจจองดูว่ามันเกิดขึ้นอย่างไรนาบางทีความคิดมาไปจจองดูมากๆมันไม่ออกมานะอันนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้เรามีอาการอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตายก็คือมึนนามึนหัวนาหรู้ว่าติดอัดหรือว่าแน่นขึ้นมาน่บางทีก็ฟึ้งซ่านไปเลย เพราะตรงนี้เนี่ยความรู้สึกที่กายเนี่ยมันยังไม่ชัดนะก็มีโอกาสเบี้ยนะได้พบหลวงพ่อคำเขียนนะท่านได้ไปที่วัดสนามในนะแล้วก็ได้ท่านได้แนะว่าในเบื้องต้น น, นะให้เรามีความรู้สึกตัวดที่กายให้ชัดก่อนนะความรู้สึกปวที่กายให้ชัดก็คือการที่เราเคลื่อนไหวนะยกลายยกมือเดินจึงกลม นาะให้เราแรกๆเนี่ยอาจจะเจตนาที่จะรู้ก็เปก่อนนะเจตนาที่จะรู้สึกนะกับกายที่เคลื่อนไหวนะตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ได้รับคำแนะนำจากหลวงพ่อคาเขียนนะซึ่งตัวผมวิจารณ์เองก็ได้ลองทาดูนะจากการที่เราไปใส่ใจสนใจกับความคิดใส่ใจสนใจกับ ส, ส, สิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของเรา เราก็มาใส่ใจสนใจที่กายเคลื่อนไหวเมื่อเรามาทำตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้ใจมันโล่งหัวมันเบาสบายเราไม่ต้องไปคอยจ้องดูความคิดแล ะ, ะทีนี้เมื่อเราทาความรู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวนะบ่อยๆนะมาอยู่ที่กายบ่อยๆเนี่ยนะมันจะเกิดอาการนี่มันคือมันเพ่งเข้าไป นะมันเพ่งมันเพ่งมันก็จะคล้ายๆมันเพ่งเข้าไปข้างในมากนะมันก็จะนั่นอ่ามันก็มาอีกอาการน่มันอิดอัดขึ้นมาบางทีก็มึนมึนงงงนะตรงนี้เนี่ยก็คือเราเรียกว่าเราจะเอาอ่ะงานเรียกว่าจะให้มันรู้สึกต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยเอ่อครูบาอาจารย์ดูหลวงพ่อท่านบอกว่าให้มีความรู้สึกต่อเนื่องนะแเราก็พยายามจะเพ่งให้มันต่อเนื่อง ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็เรียกว่าเพ่งเกินไปนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยให้เราสังเกตดูๆๆดูนมันจะมีอาการของกายของใจแสดงให้เราดูนะถ้ามันบุนบมันหนักหนักมันแน่นแน่ันแสดงว่าเราเพ่งไปแต่ข้างหนมากหรือบางทีมันเ่วองอ่าเพ่งไปแต่เนืองข้างในมากๆมันยังเนืองและรงน้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องสังเกต ถ้มันเพ่งก็ไปมากๆเราก็ปล่อยออกามาบางไปไกลๆมนาะครั้งหนึ่งได้หลวงพ่เทียมมาสอบอารมณ์นั่ก็คือท่านมาถามว่าเป็นยังไงบ้างนะการโดนจมกินะการสร้างจังหวะเราก็บอกนี่ว่าโอ้โหมันมันมันหนักหัวงมันมึนท่านบอกว่าเราเพ่งกัไปข้างในแล้วนะก็ให้เรามองออกไปข้างนอกบ้างมองไปยอดไม้มองไปท้องฟ้าให้มันโล่งเล้นะ พอเราทำตามเ อ, อมันก็เป็นจริงอย่างนั้นนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นประสบาการณ์ที่ได้ไ ด, ได้พบนะได้สัมผัสนะจากการที่อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารยนะ์ซึ่งก็เป็นประโยชน์นะเป็นอย่างมากทีนี้ตรงนีเน้เมื่อเรารู้สึกทีกายบ่อยๆกายเคลื่อนไหวบ่อยๆเนี่ยนะมันจะเข้าไปรู้สิ่งที่เป็น เ, ออเป็นนามธรรมานะก็คือความรู้สึกปนะวดเมื่อย ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งที่เกิดขึ้นจากร่างกายของเราไม่แม้แต่ลมหัวใจมาที่มันมันเบานเราก็จะเห็นเราก็จะรู้คำว่ารู้ในที่นี้คือรู้สึกไม่ใช่รู้อะไรไม่ได้ไปแยกแยะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการแยกแยะในที่นี้ก็คือคิดคิดรู้ตรงนี้ต้องระวังนิดหนึงว่าบางทีเราจะไปใช้ ความคิดเข้าไปนะตรงนี้เมื่อเรารู้ที่กายชัดนะมันก็จะไปรู้ความรู้สึกต่างๆนะจะเป็ น, นเย็นร้อนอ่อนแข็งรู้ปวดเมื่อยนะดีมาแต่ความพอใจไม่พอใจอย่างเรานั่งานเนี่ยเราปวดลงเมื่อยเนี่ยบางทีมันจะหลุดหีดละนะมันจะเกิดขึ้นมาละนะตรง น, นี้เนี่ยความรู้สึกตัวนิสตินะที่เราได้ทำอย่าง ต่อเนื่องคํำว่าต่อเนื่องตรงนี้คือทําไปเรื่อยๆมาทำเรื่นๆทำเรื่อยๆมาแต่ทำต่อต่อเรื่องกันไปโดยเฉพาะควารทำในรูปแบบเนี่ยเป็นส่วนสําคัญาที่ทําให้ความเพียรของเราเนี่ยมันมันต่อเนื่องกันไปตรงนี้เมื่อรู้สึกตรงนี้แล้วนมันก็จะไปเห็นสิ่งที่เรียกว่าความคิดความคิดมันเป็นอาการของจิต ที่มันจะแสดงตัวออกมาแต่ก่อนเราคอยเบรจ้งดูมันมันก็ไม่ออกมาทีนี้เราก็เฉยๆเรายกน้ายกมือไปแล้วมันจะคิดขึ้นมามาคิดขึ้นมาเราก็รู้มันมาเราไม่ตามมันความคิดเนี่ยไม่ห้ามแต่ไม่ตามเราจะไปจะไปห้ามมันบางทีเราห้ามแล้วมันก็จะมันก็จะเจ็บกดในลักษณะแบบนี้ไม่ห้ามแต่ไม่ตาม เรากลับมาเลือกสตัวที่กลายเคลื่อนไหวแลนะจุดไม่เป็นจิตสำคัญเพราะฉะนั้นความรู้สึกเปลี่ยนที่กลายเคลื่อนไหวมนาะเป็นฐานสําคัญในกะาที่จะให้เราเข้าไปรู้นะสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความรู้สึกสุดทุกขนะ์ที่ภาษาบาลูลาเราะโวตุนานะแล้วก็อาการของจิตนะที่เรียกว่าความคิดนะซึ่งความคิดนี่แหละนาะที่เป็นตัวที่ทำให้เราสุดเราทุกข์ทนำะให้เรา ดีใจเสียใจยินดูไม่ยินดูงานสิ่งเหล่านี้เนะี่ยเป็นปรากฏการณ์เป็นอาการที่เขาเกิดขึ้นภายในตัวเรงางานเพราะฉะนั้นจากความรู้สึกตัวน้อยๆแต่เราทาบ่อยๆงาตนตรงเนี้ก็จะทําให้ความรู้สึกตัวของเราตื่นขึ้นงานเป็นตาใจที่ตื่นขึ้นงานแล้วก็จากเดิมที่มันหลับอยู่น่าปลุกให้มันตื่นขึ้น เมื่มันตื่นขึ้นน่ยมันจะทําหน้าที่ของมันเองเราไม่ได้ไปกําหนดกฎเกณฑ์อะไรตัวสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเมื่อมันตื่นเต้นที่แล้วเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ในการที่จะเข้าไปดูมาไปดูอะไรไปดูกายไปดูใจของเรามาดูเพื่ออะไรเพื่อเห็นความจริงความจริงต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเราโดยไม่ต้องไปอ้างเองตามแบบรรา มาโดยไม่ต้องเดาเอางในหนังสือทั้งหลายแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้เราเห็นความยึดถืออุปจารานต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีความรู้สึปกปวดชัดมันจะเปิดอาการที่มันหนักหนักหน่วงขึ้นมามาซึ้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้เราไปยึดไปถือไปแบบมันมันมันก็หนักงานสุดท้ายมก็ต้องปล่อยเองเราไม่ต้องไปลุกปล่อยไม่ต้องไปคิดปล่อย ไม่ต้องเอาบทสวดมนที่เราสวดม า, าเป็นเครื่องมาลึกว่าเราต้องปล่อยวางนะั้นอันนั้นมันคิดรู้มาแต่การปล่อยวางอันนี้เนะี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราดูมันบ่อยๆเห็นมันบ่ยบยอยๆมาตรงเี้มันก็จะเกิดการปล่อยวางเองเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยนะถือว่าเป็น การเลืดยอดงานของสิ่งที่เราได้ฝึกปฏิบัติกันนเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือสําคัญนาที่เราจะใช้ในการที่จะอเรียนรู้การใจของเร า, าแล้วก็จะได้พบกับสิ่งที่เ ร, เรียกว่าเป็นความเป็นปกติอของใจความเป็นปกติของใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ทุกคนและมันมีอยู่ทุกานาทีด้ว ย, ยแต่ที่ไม่ปกติเพราะเราเผลอ เราไม่รู้เท่าทันในอารมณ์ในความคิดมุขต่างๆมานะที่มันปรุงแต่งมานะไปทางในทางที่ดีใจเสียใจนะเราจะคุ้นเคยกับความดีใจเสียใจความสุขความทุกข์แต่เราจะไม่คุ้นเคยกับใจที่เป็นปกตินะตรง น, นี้เนี่ยนันจากการที่เราได้มาจเจริญสตู นาโดยมีความรู้สึกตัวที่กลายเคลื่อนไหวนาอยู่บ่อยๆตรงนี้นาเป็นจุดสาคัญและที่สังเกตเห็นนี่อังมึงนาที่อยากจะพูดถึงก็คือเป็นจุดอ่อนของนักปฏิบัติก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรู้สึกตัวดีในขณะที่เดินจงกรมสร้างจังหวะแต่พอเราไปทำกิ จ, จวัตรประจำวันเนี่ยเราจะปล่อยเนื้อปล่อยตัว มีการพูดคุยนมีการาคุกครีกันงาสิ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราหลงงสติมันก็จะไม่เกิดการต่อเนื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูแลาก็คือการที่เราให้มีสติงานในกิจวัตรประจำวันด้วยมไม่ว่าจะเป็นการเดินไปสาลาน้า งานการรับทาอาหารงานการทํากิจวัตรประจําวันต่างๆเนี่ยพยายามที่จะรู้สึกตัวนในกิจวัตรเหล่านั้นงานตรงนี้เนะี่ยมันจะทําให้การเจริญสติของเราเนะี่ยมีความต่อเนื่องได้แล้วก็เป็นธรรมชาตด้วยงานนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จากประสบการณ์ตัวเองที่ได้ไปฝึกกับหลวงพ่อเทียนงาการที่เราทำทั้งในรูปแบบแล้วก็นอกรูปแบบเนี่ยมันก็ทําใหอ้อ่สติ ด้วยคามรู้สึกัวน่ะมันมีความฉับเปล่ยนขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเชื่อยหลวตัวเองเป็นที่พึ่งของตัวเองได้งานนี้เป็นสิ่งที่ก็เป็นการพูดในเช้าวันนี้มาเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อเทีย น, นที่จากพวกเราไปเมื่อ25ปีที่แล้วงานในรานที่สุดนี้ เราก็ขอให้คนเอาคุณของพระศีและจันทร์ไทยและก็คือพระพระติพัรน์พระสงฆ์และแล้วก็ความเพียรพยายามของทุกท่านนะจึงเป็นพระวัตปัจจัยสริเสริมให้ทุกท่านเนี่ยมาได้ตัดมนุษย์สัตว์ตัวไดสัมผัสกับความเป็นปกติของใจมาที่จะเชื่อยหล่อเลี้ยงให้จิตใจของเรานั้นมีความชื่มชื่นเแบบิกบานอุ่นผู้อยู่ทุกเมื่อเช้าวัน ในวันนี้เด็ชือนากันพิ่มจะเด่นพร